ประกอบด้วยร่างกายแล้วนะเรายังมีความคิดและความรู้สึกความคิดเนี่ยบางทีก็อุปมาเมื่อก็สมองหรือหัวส่วนความรู้สึกนี่ก็อุปมาว่าหัวใจนีหัวหรือหัวสมองเนี่ยหมายถึงว่าความคิดความรู้รวมทั้งการรับรู้ ต่างๆรวมไปถึงความเข้าใจส่วนหัวใจเนี่ยหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกเอาความรู้สึกนี่ยังรวมไปถึงว่าความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเด๋ยวนี้เนี่ยาพูดเราเนี่ยก็มีความรู้ ความเข้าใจมากนะเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาเพราะเดี๋ยวนี้หนังสือก็มีให้อ่านได้มากมายแม้แต่ครุหัสนี้ก็สามารถที่จะค้นคว้าอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างสะดวกสบายไม่ใช่แค่พระเท่านั้นนะคาราวะเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะเข้าถึงคำสอนที่ลึกซึ้ง ได้รู้จกักได้สัมผัสกับคำสอนของหลวงปู่มั่นอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อชาซึ่งทำให้เข้าใจแก่นแท้ของพุทธธรรมเด๋ยนนี้เนี่ยคารวาจนวนมากนี้เดี๋ยวว่าแต่อริยสัจสี่เลยนะแม้กระทั่งหลักธรรมที่เป็นหัวใจ เช่นอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณ์อันนี้จังทุกหานตาก็ก็รู้นะแล้วเข้าใจว่ามันเป็นแก่นของพุทธศาสนาแล้วก็เห็นนะว่าอะไรรก็ไม่สามารถย่าเป็นรเราเป็นของเราได้บางทีก็รู้ไปถึงว่าเนี่ย ไม่มีตัวเราไม่มีของเราทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ในส่วนของใจเนี่ยจำนวนไม่น้อยนี่มันมีช่องว่างนะระหว่างหัวกับใจเนี่ยในส่วนที่เป็นหัวหรือความรู้ ความเข้าใจเนี่ยรู้ได้ลึกซึ้งนะรู้รรมากขั้นสูงนะถ้าเปรียบก็เหมือนกับอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าระดับอุดมศึกษาแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องของใจเนี่ยบางทียังอยู่ในระดับพื้นๆอะนะ แค่ประทับนั่นนะ่ะหรือบางทีก็อนุบาลเลยพง่ายคือมันมีช่องว่างมากนะระหว่างหัวกับใจเนี่ยหัวนี่อยู่ระดับอุดมนะแต่ว่าใจมันอยู่ระดับประทัหรือบางทีอนุบาลได้ซ้ำหมายความว่าแม้จะรู้นะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราน เข้าใจเรื่องอนัตตาว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนแต่ว่าในส่วนของใจเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกที่เอาตัวกูเป็นศูนย์กลางมีความยึดมั่นในตัวกูมากเวลาใคร ได้ของมากกว่าเราหรือเวลาเราได้ของน้อยกว่าเขานี่ก็จะมีความไม่พอใจอย่างที่เคยเล่านะคนที่มาฟังทธรรมม า, ม, มาพอฟังธรรมเสร็จล้าก็แจกหนังสือ มีทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่ไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้เพราะบางคนก็ได้แค่เล่มเล็กแต่บางคนก็ได้เล่มใหญ่คุณได้เล่มเล็กนี่ก็พอเห็นเพื่อนได้เล่มใหญ่นะก็ไม่สบายใจนะมาขอแลกนะวาขอเอาเล่มใหญ่ได้ั้มทั้งที่ยังไม่ทันได้อ่านเลยนะว่าไอ้เล่มเล็กเนี่ยมันสู้เล่มใหญ่ไม่ได้อย่างไรนะแต่มัน เกิดความรู้สึกด้อยรู้สึกอิจฉาขึ้นมานะว่าเขาได้มากกว่าเรานี่ขนาดเป็นคนที่สนใจธรรมะนะแล้วก็ก็คงจะมีความรู้ในเรื่องธรรมะพอสมควรบางทีก็รู้ไปถึงขั้นว่า ม, มันมีอะไรที่ยึดมันเป็นเราเป็นของเราได้รู้ว่าเข้าใจนะว่าสันโดษนี่แปลว่าอะไรนะยินดีพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ รู้ก็เห็นด้วยแต่พอได้นังสือมาไม่ยินดีแล้วเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาได้เรื่องใหญ่กว่าเราทั้งที่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะเคยไปสังกรรสังเวชนิสถานที่ประเทศอินเดียวันท้ายๆนี่เขาเขาแวะสารนาศ แล้วก็มักจะตบท้ายด้วยการแวะพาราณสนะีพอทักทกษาเสร็จก็มีการไปช้อปปิ้งซื้อผ้าในร้านแถวพาราณสีไม่ก็หลายคนนะพอซื้อผ้ามาได้เนี่ยขึ้นมาที่รถนะก็ดีใจนะอวดเพื่อนนะว่าซื้อได้นะ ผืนนี้สองร้อยบาทสวยด้วยแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกว่านะร้อยห้าสิบที่เคยยิ้มนในหน้าเสียเลยเสียใจขึ้นมาแล้วว่าเนี่ยเราซื้อของได้แพงกว่าเขาเขาซื้อของได้ถูกกว่าเราแค่นี้นะใจก็เสียแล้วนั้งที่ก็ คงจะรู้เยอะนะเรื่องไตรักรู้ว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรารู้ว่าเนี่ยข้าวของทรัพย์สินเงินทองเนี่เป็นของชั่วคราวไม่ใช่สรณะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรจะมีมุทิตาจิตนะเออเขาซื้อของได้ถูกกว่าเรายินดีด้วยนะแต่ว่าไม่มีเลยนะกลับรู้สึกแย่นะที่ว่าเราซื้อของแพงเขา อันเนี้ยคือความหมายเขาว่าเนี่ยหัวเนี่ยอยู่อุดมนะแต่ว่าใจเนี่ยอยู่ระดับปฐมคือธรรมะพื้นฐานเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการฝึกจิตให้เกิดความเป็นปกตินะกับเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของใจนะเป็นเรื่องของความรู้สึก นะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูมากน้อยเพียงใดแม้หัวเนี่ยมันจะรู้ว่าไม่มีตัวกูแต่ใจเนี่ยมันก็ยังมีความยึดในตัวกูนะมีการยึดมั่นถือมั่นในข้าของทรัพย์สินที่มีถ้าจะซื้อของต้องซื้อได้ถูกกว่าเขาดีกว่าเขาถ้าซื้อได้แพงกว่าเขาเสียใจนะหรือว่าบางที ซื้อของแล้วแม่ค้าทอนไม่ครบมารู้ทีหลังว่าขาดไปสิบบาทโอ้โมโหเลยนะทั้งที่ก็รู้นะว่าไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเนี่ยหัวเนี่ยมันบอกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นรู้จักปล่อยรู้จักวางแต่ใจเนี่ยมันมันยังยึดในเงินทองอย่างเนี้ย น, นั่นนะ่ะขาดสิบบาทก็ไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงว่าโทรศัพท์หายหรือว่ารถถูกจุดนะนะะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวัตถุนะบางทีเรื่องของความคิดความเห็นเนี่ยเวลาก็มีใครมาแย้งนี่ก็ไม่พอใจนะยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเป็นคนที่ชอบสอนเรื่องอนัตตามากเลยนะจกนกระทั่ง เห็นแย้งนะเวลามีคําสอนหรือพุทธภาเศ ษ, ษพูดถึงเรื่องของตัวตนนะเช่นเรามีกคำเป็นของตนเนี่ยท่าบอกเนี่ยมันไม่ใช่พุทธพจน์หรอกเพราะพุทธศาสนามันไม่มีหรอกนะตนนะของตนไม่มีหรอกมันมีแต่ไม่ใช่ตนแล้วท่านก็สอนเรื่องอนัตตานะีแต่พอมีโยมมาแย้งท่าน ย่งเรื่องอื่นนะไม่ใช่ย้งเรื่องอนัตตานะโกโรธนะโกโรธโมโหมากเลยนี่สงว่าอแสดวความยึดมั่นในความคิดของกูเนี่ยยังเหนียวแน่นมากหัวนี่ไปไกลแล้วสูงมากนะเรื่องอนัตตานี่เลีว่าทะลุเพดานแล้วแต่ใจนี่ยังอยู่ะระปฐมเลยนะคือยังมีความยึดในตัวกูในความเห็นของกูแล้วว่าทุตุปาทานเนี่ย รวมทั้งยึดมันในตัวกูนะเวลาใครทักทวงหรือได้ยินไครนินทาเข้าหูมไหลายก็โกรธเมื่อนั้นเลยทั้งๆ ท, ที่บอกว่าไม่มีตัวกูนะแต่ว่าพอเจอแค่ลมปากเบาๆนี่ก็โกรธโมโหหรือบางที ไม่ได้รับความสำคัญนะจากครูบาอาจารย์หรือจากพระที่ตัวเองคารพนี่ก็โมโหนะโมโหแบบที่เรียกว่าตอนหลังนี่ไม่ตอนหลังนี่หันหลังให้กับพระรูปนั้นไปเลยนะเพราะว่าไม่ทักไม่ทายอุตสามาวัดแล้วไม่ทักไม่ทายโกรธมากนะ นิสสาว่าอะสักว่ายงมีความยึดมั่นในตัวกูมากทั้งๆที่ก็บอกใครต่อใครว่าไม่มีมันไม่มีกูตัวกูไม่มีแต่พอเมื่อได้ความสําคัญ ไ, ได้รับการทักทายจากครูบาอาจารย์เนี่ยไอศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์มันเปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นความเกลียดชังไม่พูดไม่คุยด้วยเลยนะ อันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วนะมนกระทั่งพาะสัททบรุษก็เคยเจอมาแล้วถูกโจถูกฟ้องร้องเพราะว่าไม่ได้ทักทายผ้ารูปหนึ่งขณาที่มายืนรอต้อนรับท่านอามายืนรออำลาท่านก่อนจะไปทุดดงคือถ้าหากว่าใจเนี่ยพัฒนาแล้วเนี่ยนะมันไม่มีอาการแบบนี้หรือไม่ฉะนั้นก็อยากอวดนะอยากอวดอยากโชว์ เคยเล่าทีแล้วนะหลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านไปนแสดงธรรมที่วัดอโศการามพอท่านแสดงธรรมเสร็จก็มีโยมผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะมากราบท่านที่หน้าทำมากเลยทีเดียวนะแล้วก็บอกว่าโอ้าอาจารย์แสดงธรรมนี่ซาบซึ้งมากที่ฉันฟังแล้วเบาใจเหลือเกินนะที่ฉันปล่อยวางแล้ว ปุตตุท่านก็บอกว่าโอ้ยอานุโมทนาด้วยนะที่โยมดวงตาเห็นธรรมโยมนั้นก็ยังยังพูดต่อนะตอนนี้ดิฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วคราวนี้หลวงปุตตุท่านหลวงปุตตุท่านนิ่งแนะสักพักท่านก็พูดมาว่าอีกต่อแหล โ, โกรธมากเลยคือทําไมยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไอ้ความที่อยากจะมาอวดเนี่ยมันไม่มีนะ อยากจะมาอวดหลวงปู่เนี่ยฉันปล่อยวางแล้วฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วคนเราถ้ามันไม่มีความยึดในตัวกูหรือ ว, ว่ามีมานะหรือไม่มีมานะแล้วเนี่ยอที่ภาษาสมัยมาเรียกว่าไม่มีอีโก้แล้วเนี่ยนะมันไม่มีความอยากจะมาอวดอวดทันทีเลยนะพอฟังจนมาอวดต่อหน้าหลวงปู่เนี่ยอยที่ท่านยังไม่ทันลงจากธรรมะเลยยิ่งพอถูกว่าว่ากี่ตอนแล้วยิ่งโกรธใหญ่ แต่ถึงแม้ไม่ถูกว่าอิตอนแล้วเนี่ยเพียงแค่ว่าอยากจะมาอวดนะว่าอิฉันปล่อยวางหรืออิชันไม่ยึดมันถือมันแล้วเนี่ยมันก็แสดงว่าจิตก็ยังไม่ได้ไปไปถึงไห น, นแม้ว่าหัวนี่จะไปไกลแล้วนะหัวนี่เห็นว่าเนยไม่มีมที่นายยึดมันถือมันแต่ใจเนี่ยยังอยู่ ร, บระบาดถมอยู่เลยนะอยากจะอวดอยากจะโชว์นะก็เลยดอนครูครบาอาจารย์ตอกกลับไป ก็ยังไม่รู้ตัวนะหว่าครูบาอาจารย์เนี่ยพูดจาไม่สุภาพต่อหน้าทารกรรมนันได้ยังไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันชีอเห็นนะว่าชาวพุทธนนมากเนี่ยแม้ว่าหัวเนี่ยอยู่ระดับอุดมแล้วนะอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแต่ว่าใจนี่ยังอยู่ระดับปฐมอยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นโลกตันหามาณทิฐินีก็ยังมากอยู่ เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะสอนทำเนี่ยบางทีจะสอนแต่ความรู้นะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้ก็ดีนะเพราะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา แต่ว่ามันยังไม่พอต้องทําให้ใจเนี่ยยกระดับสูงขึ้นด้วยถ้าใจอยู่ระดับปฐมเนี่ยหรืออยู่ระดับอนุบาลเนี่ยมันก็ยังก่อปัญหาหรือสร้างทุกข์ให้กับตัวและกับผู้อื่นได้แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนเวลานี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมีแล้วตั้งชาวพุทธเนี่ยหรือรวมตั้งคารวาเนี่ยความรู้สูงมากเนี่ย เดี๋ยนี่เรียนปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาจบมาก็ไม่น้อยหัวเนี่ยอยู่ระดับอุ ด, ดมแล้วล่ะแต่ว่าใจเนี่ยถ้าไม่พัฒนานะไม่ฝึกนะมันก็ยังอยู่ระดับประถมยังมีความเห็นแก่ตัวยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าของกูยังมีความยึดมั่นในความเห็นของกูหรือว่ายังมี ความสำคัญบรรหมายในตัวกูอยากอวดอยากโชวนะ์หรือว่าอยากจะแสดงว่าฉันมีความรู้สูงแต่ว่าพอถูกกระทบนิดหน่อยก็จิตใจก็กระเพื่อมนะหรือพอแค่ไม่ได้วความสำคัญจากครูบาอาจารย์ก็โกรธนะเรื่องนี้มันต่างจาก คนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงหัวหรือความรู้เนี่ยน้อยนะบางทีก็รู้แค่ศีนห้าตายรักยางรู้ไม่ครบเลยนะอาจจะรู้แค่อ น, นิจจังนะแต่ว่าใจเนี่ยนะก็เรียกว่าพัฒนาฝึกฝนมาจนกระทั่งความเมแก่ตัวนี่น้อยความยุดมั่นถือมั่นในทรัพย์นี่น้อย อาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยนะท่านเล่าว่าท่านเป็นคนใต้นะไม่ทอบเป็นอาจารย์ประมวลหรือเปล่านะเขาบอกว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยตลางค่ำกลางคืนเนี่ยแม่เนี่ยจะตําข้าวรูกภาษาว่าตําข้าวทาไมตําข้าเพราะว่าอาจจะมีคนแปลกหน้าอาคารตุกขกนะมาพักเพราะว่า สมัยก่อนมันก็ไม่มีโรงแรมนะถ้าไปพักไว้ก็พักตามบ้านซึ่งทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็แขกก็ไม่รู้จักกันแม่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเวล า, ามีคนมาพักแล้วเราก็จะได้มีข้าวให้เขากินนี่ขนาดนะขนาดไม่รู้จักนะค่ำๆเนี่ยก็ยังตำข้าวแทนที่จะหลับจะนอนเพราะห่วงนึกถึง คนแปลกหน้าที่เขาไม่มีที่หลับที่นอนหาที่หลับที่นอนให้เขาแล้วเขาจะไม่มีข้าวกินก็ทำข้าวใหเขากินลูกกษาป๋าแล้วคนแปลกหน้ามานอนเนี่ยไม่กลัวเข้ามาป้นมาจี้เหรอแม่ก็บอกเขากินข้าวกินน้ำแล้วเขาไม่มาป่นมาจี้เราหลอกโอ้เรียกว่าใจประเสริฐมากนะคือความมีกระตัวนี่มีน้อยความเ อ, อื้อเฟื้อนี่มีมาก แล้วความโหงเหนในทรัพย์ก็ น, อน้อยเคยเล่านะมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยนะ mm. ก็ไม่เชิญคุณยายคุณป้าอยู่ยนะแล้วก็ยากจนนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรวันหนึ่งก็เดินนะข้ามเขาเนี่ยจะไปหาลูกสาวกลางทางเจอลำห้วยนะที่นะกำลังใช้นะกลาลัง กำลังข้ามลำห้วยเนี่ยก็เห็นอัญ ม, มณีมันแวววาวมากก็เลยเก็บมาเป็นอัญ ม, มณีก้อนใหญ่เม็ดใหญ่เลยนะก็เก็บใส่ย่ามขากลับเดินกลับบ้านนี่ใกล้ถึงบ้านแล้วก็มีคนเนี่ยเป็นนักเดินทางผิวมากเลย ไม่รู้หลงทางก็ว่าคุณป้าก็เลยนะเปิดย่ามเพื่อที่จะหยิบอาหารให้ชายคนนั้นเนี่ยเห็นอัญมณนนีแวววาวเลยเอยปากขอเลยนะขอได้ไหมเห็นนั้นจิกที่เห็นเกิดความโลภนะคุณป้าแกให้ทันทีเลยนะแกไม่ลังเลเลยเว้ยเชานั้นดีใจมากนะ พอรู้ว่าอัญมณีแบบนี้นยถ้าขายนี่สามารถจะเลี้ยงตัวได้เนี่ยเกือบตลอดชีวิตเลยแต่ไม่กี่วันนะแกกลับมานะกลับมาทำไมเอาอัญมณีมาคืนบอกว่าเนี่ยบอกคุณป้าว่าเนี่ยผมก็รู้นะว่าเนี่ยอัญมณีเนี่ยมีราคาแพงมากมันมีค่ามากเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่อยากได้แล้ว เพราะผมอยากได้สิ่งที่มีค่ามากกว่า น, นั้นอะไรอ่ะก็อะไรที่ทำให้คุณป้าเนี่ยให้ของมีค่านี้แก่ผมโดยไม่ลังเลเนี่ยผมอยากได้สิ่งนั้นจากคุณป้าสิ่งนั้นคืออะไรนะความเมตตาความไม่หวงแหน คุณป้าเนี่ยแกก็ไม่รู้ธรรมะสูงนะถ้าพูดถึงหัวเนี่ยก็อาจจะอยู่ขั้นระดับมัธยมไม่รู้ธรรมะขั้นสูงไม่รู้เรื่องอนัตตาแรงสิ้นนะแต่ว่าใจเนี่ยนะสูงมากนะไม่มีความหวงแหนมีความเมตตาแล้วก็รู้ว่าทัพไอ้ของพวกนี้เนี่ยอัญมณีนนพวกเนี่ยหรื อ, อเพชพรพลอยพวกเนี้ยมันไม่มีค่าเท่าไหร่ มันไม่ใช่สารณนะไม่ได้ยึดมาเป็นของเราเลยอยากได้เอาไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าใจเนี่ยอาจจะอยู่ขั้นมัธยมหรืออุ ด, ดมแล้วก็ได้ถึงแม้หัวนี่อาจจะยังอยู่ในระดับมัธยมก็ตามแล้วคนไทยสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะความรู้ธรรมมาเนี่ยไม่สูงมากไม่ได้เข้าใจเรื่องอนัตตาไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่มีเราไม่มีของเรา แต่ว่าใจเนี่ยนะเรียกว่าความมิกระตัวน้อยนะมีความยืดมั่นถือมั่นน้อยซึ่งก็ทำให้ช่องว่างระหว่างหัวกับใจเนี่ยมันมันน้อยมากคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าช่องว่างระหว่างหัวกับใจนี่มันสูงมากนี่ ม, นมีปัญหานะอย่างบางคนเนี่ยโหู้เรื่องธรรมะ ม, มากรู้อันธิพานเนี่ยเป็นบรมธรรมเลย แต่ว่าใจนี่ก็ยังหลงเพลินนะในความสุขแบบหยาบๆมีโยมบางคนบอกเนี่ยนิพพานก็อยากได้นะแต่มันเลิกดูหนังเกาหลีไม่ได้เลยนี่แสดงว่าหัวเนี่ยอุ ด, ดมแล้วล่ะแต่ใจยังอยู่ปฐมอยู่เลยนะหรือยังโคดบางาคนโอ้โนิพพานก็รู้ว่าดีนะแต่มันเลิกเกมออนไลน์ไม่ได้มันเลิกโซเชียลมีเดียไม่ได้เลย อันนี้ก็เรียกว่าใจเนี่ยยังอยู่ในระดับปฐมอยู่เลยนะฉะนนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยนอกจากการที่ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะขั้นสูงไม่ใจะเป็นเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีเราไม่มีของเราปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปรมาธิธรรมโลกุตตรธรรมแล้วเนี่ยต้องทำให้ใจเนี่ยมันกระเถิบ หรือพัฒนาสูงขึ้นด้วยจนกระทั่งตันหามนติจิตเบาบางนะใครก็จะมีมากกว่าเราก็จะได้ใครก็จะได้มากกว่าเราก็เป็นเรื่องของเขาฉันไม่หวั่นไหวนะมีมุติตาให้มีมุติตาจีสิใครเขาจะเห็นแย้งนะฉันฉันก็ไม่โกรธนะเพราะว่าไอความคิดก็ไม่ใช่ของเราหรือว่า เข้าใจธรรมะหรือว่าได้ทำความดีก็ไม่ได้คิดอยากจะอวดอยากจะโชว์ใครไม่ว่าโดวยวาจาหรือทางโซเชียลมีเดียใครมาพูดกระทบแดกดันก็ไม่โกรธนะมันต้องพัฒนาไปาถึงขั้นนี้แต่ถ้าเราเป็นเน้นแต่เรื่องของการให้ความรู้หรือว่าพัฒนาในส่วนหัวนะแต่ว่าใจไม่ได้พัฒนาหรือไม่ให้ความสาคัญเลย เราก็จะพบเนี่ยปัญหาประเภทว่าก็รู้น่าไม่มีตัวกูของกูนะแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่อยากจะโชว่วากูเก่งกูแน่กูดีหรือว่ามันยังทนไม่ได้นะที่คนไม่เห็นความสำคัญของฉันมาแล้วไม่ไม่ทักไม่ทายนะหรือไม่พูดชมนะ นี่เราก็จะเห็นนะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเง น, นเยอะเลยนะซึ่งมันทําให้อหลายคนเนี่ยเขาสุสุทำไมรู้ธรรมะเยอะฟังธรรมะก็มากแต่ทําไมยังเห็นแก่ตัวอยู่นะทําไมยังขี้โกรธอยู่เนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าหัวยังอยู่หัวนี่มัดหัวนี่ประถมเอ้หัวนี่อุดมแล้ะแต่ใจมันยังปถมอยู่เลยหรือว่ามันมีช่องว่างรองหัวกับใจมาก ช่งว่าหลังความคิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องพัฒนาเนี่ยทั้งหัวทั้งใจนะความรู้ก็ต้องมีเข้าใจธรรมะขั้นสูงแต่เด็กก็ต้องฝึกใจให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่รู้จักไม่รู้จักพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลย นะสำหรับธรรมะแต่พื้นฐานนี่และจำเป็นหรือถึงแม้ว่าความรู้อาจจะยังน้อยนะแต่ว่าถ้าหากว่าพื้นฐานที่ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยพัฒนาเนี่ยหมายความว่าหัวเนี่ยจะยังอยู่ขั้นมัธยมนะแต่ว่าใจเนี่ยอาจจะพัฒนาไปถึงระดับอุ ด, ดมแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งประเสริฐนะนั้นเวลาฝึกธรรมะหรือสอนธรรมะเนี่ยมันต้อง ต้องตระหนักนะว่าทำยังไงจะให้ใจเนี่ยมันยกระดับสูงขึ้นจนกระทั่งมันประสานกับหัวหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยประสานเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดนะคิดอย่างไรเห็นอย่างไรใจก็คล้อยตามโน้มไปทางนั้นนะไม่ใช่ว่าความคิดความเห็นไปทางหนึ่งใจไปอีกทางหนึ่ง เพอเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งง่ายๆเช่นว่าก็รู้นั่นเล่าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีแต่ก็ยังห้ามใจไม่ได้ยังหวงแหนยังโหยหาสิ่งเหล่านี้อยู่นี่ก็เหมือนกันนะเป็นช่องวางระหว่างหัวกับใจอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้